วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการปรับฐานของจิตใจให้ตั้งอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงแน่นหนาะขณะนี้จิตใจของพวกเราตั้งอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคง ฐานที่มีอาการสั่นไปสั่นมาเหมือนตอนที่แผ่นดินไหวเหมือนตอนที่เรายือนอยู่บนแพ้มันจะไม่มีความมั่นคงมันจะโยกไปโยกมาสั่นไปสั่นมา เพราะว่าใจของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงนั่นเองคือถ้าเปรียบเทียบเราตอนนี้ยืนอยู่บนแพกันยืนอยู่บนเรือเรือมันก็โครงไปโครงมาถ้าเราอยากจะไม่ให้ตัวเราโคงไปโครงมาเราก็ต้องไปยืนอยู่บนพื้นดิน ถ้ายืนอยู่บนพื้นดีแล้วมันก็จะไม่รู้สึกว่าเราจะล้มลงไปโคลนไปโคลนมา <c oughs> คงเคลงหรือเหมือนกับปลูกอาคารบนพื้นดินที่ไม่แข็งแรงไม่มั่นคงเช่นปลูกบนเลนปลูกบนโคลนอาคารมันก็ต้องเอ็งไปเอ็มา หรือล้มลงไปในที่สุดอาคารที่จะตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงก็ต้องมีพื้นฐานพื้นดินที่มั่นคงจิตใจของเราจะมีความมั่นคงจะมีความ <c oughs> มั่นใจจะมีความปลอดภัยก็ต้องยืนอยู่บนจุดที่มันไม่โคงไปโครงมา ตอนนี้เรายืนอยู่บนจุดที่มันโคลงไปโคลงมาก็คือจิตใจเราไปอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นเองจิตใจเราไม่ไปยืนอยู่บนจุดที่มันเที่ยงเวลาเรายืนอยู่บนจุดที่ไม่เที่ยงเราก็มีความไม่มั่นใจเราก็จะมีความวิตกกังวลกับ สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ว่าจะไม่มั่นคงจะไม่ถาวรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมมีการสูญไปแต่ถ้าเรายือนอยู่บนจุดที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงยือนอยู่บนจุดที่มีความมั่นคงเราก็จะ มีความปลอดภัยมีความสบายใจมีความมั่นใจการที่เรามาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะได้รู้จักวิธีขยับใจของเราให้ออกจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้ให้ไปอยู่ในจุดที่มันมั่นคงถาวรที่ปลอดภัย ที่ไม่ให้สร้างความวุ่นวายสร้างความวิตกกังวลเดือดร้อนให้กับเราตอนนี้ใจของเราตั้งอยู่บนสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่ <c oughs> มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีสูญมีหมดไปเช่นตั้งอยู่บนลาบยศสรรเสริญตั้งอยู่บนรูปเสียงกลิ่นรสผลทา่า ตั้งอยู่บนตาหูจมูกลิ้นกายคือร่างกายของเราร่างกายของเรานี่มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่มีปัญญาเวลาที่เรามาพบกับร่างกายเราก็ คิดว่าเป็นที่มั่นคงปลอดภัยเราจึงเข้าไปอาศัยร่างกายนี้เป็นที่อยู่เป็นที่พึ่งเช่นตอนที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะแสวงหาร่างกายพอเราได้พบร่างกายที่ไม่มีผู้อื่นเขาครอบครอง เราก็จะเข้าไปครอบครองทันทีเช่นเวลาที่มารดาตั้งครรภ์เวลานั้นเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายที่ได้ได้พ้นโทษจากอบายหรือได้ลงมาจากสวรรค์ก็จะเข้ายึดครองเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัย เป็นเครื่องมือที่จะหาความสุขต่างๆให้กับใจแต่ใจไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่รู้ว่าร่างกายนี้หลังจากที่เกิดมาแล้วก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปพอเกิดมาแล้วก็ ในร่างกายนี้แล้วก็พยายามสร้างร่างกายนี้ให้เจริญเติบโตจนสามารถที่จะใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆคือไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะมาให้ความสุขแต่ <c oughs> ความสุข ต่างๆที่ได้มานี้เป็นความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปได้ดูอะไรแล้วก็เกิดความสุขจากการได้ดูพอไม่ได้ดูความสุขนั้นก็หมดไปได้ฟังได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆเวลาได้สัมผัสก็เกิดความสุข พอไม่ได้สัมผัสความสุขนั้นก็หมดไปก็ต้องคอยหาสิ่งต่างๆมาสัมผัสอยู่เรื่อยๆแล้วเวลาที่ไม่ได้สัมผัสก็เป็นเวลาที่ไม่มีความสุขเป็นเวลาที่มีแต่ความหงุดหงิดํำคานใจมีความอ้างว้างปาเปลี่ยวเดียวดาย เศ้า ซ, ซ้อยร่อยเหงาเพราะว่าใจไปหาความสุขจากสิ่งที่มันไม่ถาวรนั่นเองเป็นความสุขชั่วคราวเวลามีก็มีความสุขเวลาไม่มีก็ไม่มีความสุข <c oughs> แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการหาความสุขต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเดียวกันคือร่างกายจะหมดลมหายใจไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ไม่ได้จาไม่จาเป็นว่าจะต้องแก่ตายกันทุกคนไม่จาเป็นว่าจะต้องมีอายุมากแล้วถึงจะตายไม่ต้องเจ็บตายก็มี คนเราอยู่ดีๆก็ตายได้โดยที่ไม่เจ็บเห็นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานั่งรถไปเกิดอุบัติเหตุหรือเดินไปลื่นล้มศีษะฟาดกับของแข็งก็ถึงแก่ความตายได้ความที่ไม่แน่นอนของร่างกายนี้จึงทำให้จิตใจมีความไม่มั่นใจ มีความหวาดวิตกมีความกังวลอยู่เรื่อยๆแต่จะทําอย่างไรได้ในเมื่อเราไม่รู้จุดที่มันมีความมั่นคงมีความปลอดภัยนั้นอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้กันเลย คนที่ไม่เคยเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่เคยสนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่จะมีแต่ความวิตกกังวลว้าวุ้นขุนมัวหวาดกลัวกับการสูญเสียของสิ่งต่างๆที่ตนรักไปทั้งๆที่รู้ว่า จะต้องสูญเสียแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเพราะไม่รู้ว่าจะมีความสุขจากสิ่งอื่นใดไ ด, ได้นอกจากสิ่งที่ตนเองจะต้องสูญเสียไปนั่นแหละรู้ว่าต้องเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมสรนละเสริญเสริมจากความสุขทางตาหูจมูกพื้นกายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะ มีความสุขแบบอื่นที่มาทดแทนก็เลยต้องยอมทนกับความ <c oughs> ไม่มั่นคงไม่ไม่แน่นอนต้องทนอยู่กับความหวั่นว้ความวิตกความกังวลอยู่กับสิ่งที่มันไม่มั่นคงมันไม่แน่นอนนี้ไปเพราะอย่างน้อยเวลามีมันมันก็ยังพอให้ ความสุขได้เล็กๆน้อยๆแต่เวลาที่มัน <c oughs> เสื่อมไปเวลานั้นก็เป็นเวลาที่จะต้องทนกับความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนว่า เรายังมีอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถตั้งใจของเราได้จุดเป็นจุดที่มั่นคงปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงจากการสูญเสียจากการเสื่อมสลาย <c oughs> จุดนี้ก็คือความสงบของใจหรืออุบเบกขาคือเป็นจุดที่จะ ทำให้ใจนี้ไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆไม่วุ่นวายกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสิ่งต่างๆแล้วก็เป็นจุดที่ให้ความสุขกับใจได้ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจตอนนี้กําลังตั้งอยู่ เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าลาบยศสรรเสริญยิ่งใหญ่กว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะต่อให้มีปราสาทราชวังเป็นสิบเป็นร้อยหลังก็จะสู้กับการมีความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เคยมีปราสาทสามฤ ด, ดู แต่พระ อ, องค์ก็ยินดีที่สละไปอย่างไม่รู้สึกเสียดายเพราะพระ อ, องค์ได้สัมผัสกับความสงบของใจและทรงเห็นความแตกต่างของความสุขที่ได้รับจากความสงบของใจกับความสุขที่ได้รับจากการอยู่ในปราสาทสามฤดูนี้ทรงเห็นว่า เป็นเหมือนฟ้ากับดินเพราะว่าประสาทนี้มันก็ <c oughs> เพียงแต่ให้ความสุขทางร่างกายเท่านั้นคือปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้ถูกภัยทางอากาศหรือทางสัตว์ร้ายต่างๆมาทำลายแต่ประสาทนี้ไม่สามารถปกป้องความทุกข์ทรมานใจได้ ความไม่แน่นอนความทุกข์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่ใจเข้ามาครอบครองอาศัยอยู่เช่นความไม่แน่นอนของร่างกายความไม่แน่นอนของทรัพย์สมบัติเ้าวของเงินทองมีประสาทแน่นหนามั่นคงขนาดไหนก็มีคนที่เขาสามารถที่จะบุกเข้ามาทําลา ย, ยหรือยึดคองสมบัติที่เรามีอยู่ได้ ถ้าเราอ่อนแอสู้เขาไม่ได้เช่นที่มีสงครามกันก็เป็นการสงครามแก่งแย่งพวกสมบัติต่างๆเหล่านี้นั่นเองผู้ที่มีสมบัติก็จะต้องตกอยู่ภายใต้ความไม่มั่นไม่มั่นใจไม่แน่นอนตกอยู่ในความหวาดระแวงว่าจะถูกผู้อื่นเข้ามาฉก ช, ชิง แยงทรัพยสมบัติที่มีอยู่นี้ไปเมื่อไหรดังนั้นการที่มีภาษาทราชาวังมีทรัพย ส, สมบัติเก้ากองเงินทองมากมายก่ายกองนี้ไม่สามารถที่จะมาปรับความไม่มั่นใจให้มั่นใจได้ใจก็จะต้องไม่มั่นใจจะต้องหวั่นไหวจะต้องหวาดวิตกกังวลอยู่ไป เรื่อยๆ เ, เพราะว่าใจไปตั้งอยู่กับของที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมั่นคงนั่นเองแต่ถ้าใจได้ไปยืนอยู่บนจุดที่มันเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงถาวรใจก็จะมีความมั่นใจมีความมั่นคงมีความปลอดภัยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้า ที่ทรงเจริญด้วยลาบยศเสริญทรงเจริญด้วยความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายต้องสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพื่อที่จะได้ไปยืนอยู่บนจุดที่มันทำให้จิตใจมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีความสบายใจจุดนั้นก็คือความสงบ ที่จะต้องเกิดจากการบำเพ็ญปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา <c oughs> เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะดึงใจให้ออกจากจุดที่ไม่มั่นคงจุดที่เป็นอนิจจังแล้วให้เข้าไปยืนอยู่ในจุดที่ปลอดจากอนิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอน ก็คือการทำใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาจุดนั่นแหละเป็นจุดที่ใจจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้นี่แหละคือสาเหตุที่พวกเรา มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อปรับจุดยืนของเราใหม่จุดยืนของเราตอนนี้เราไปยืนอยู่บนราบยศสรรเสริญไปยืนอยู่บนรูปเสียงกยลิ mm ่นรสผลทพชีวิตของเราจึงมีความสุขความทุกข์คุกเข่ากันไป mm hmm. สุขปั๊บแล้วก็ทุกข์ก็ตามมาทันที พอทุกตามมาก็ต้องหาสุขมาแก้ใหม่พอได้สุขมารับความทุกข์ก็ตามมาใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆและเคยเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วชีวิตของเรานี้เป็นอย่างนี้มาตลอดแม้แต่ชีวิตของพระพุทธเจ้าก่อนที่ได้ตัดสั้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาด เป็นบุคคลที่พิจารณาสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของพระ อ, องค์อยู่ตลอดเวลายังทำให้พระ อ, องค์เห็นความจริงเห็นโทษของการที่ไปตั้งอยู่บนลาบยศสารเสริญตั้งอยู่บนความสุขทางตาหูจมูกวินกาย ยังทำให้พระองค์ต้องขวนขวายต้องศึกษาต้องหาวิธีที่จะ <c oughs> แก้ปัญหานี้ให้ได้ในตอนต้นก็ไปส่งไปศึกษากับผู้รู้ผู้ที่สามารถปรับใจให้เข้าสู่จุดอุบเบกขาได้แต่เป็นการปรับใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราว คือการทำใจให้สงบให้เข้าไปอยู่ในฌานระดับต่างๆให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในระดับอุเบกขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้อยู่ในอุเบกขาได้ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิใจสงบใจเป็นอุเบกขาก็มีความสุขมีความปลอดภัย ไม่มีความวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆแต่ไม่สามารถอยู่ในนั้นได้ตลอดเวลาเพราะว่ากำลังที่จะดึงเอาไว้มันหมดไปสติที่จะดึงใจให้อยู่ในฌานในสมาธินั้นมันหมดกำลังและกำลังผลักดันของความหลง ที่อยากจะดึงจิตให้กลับไปอยู่บนจุดของความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนก็คอยผลักดันออกมาก็จะเข้าไปในสมาธิได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาก็จะถูกอำนาจของความหลงของความอยากดึงใจให้กลับเข้าไปหาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายใหม่ถ้ารู้ทันถ้าไม่อยากจะกลับไปก็ต้องเจริญสติใหม่ก็ต้องเจริญพุโทโธเจริญอารมณ์ที่ให้ใจเกาะติดไว้ไม่ให้ไปคิดถึงราบยศสรรเสริมไม่ให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ก็จะสามารถดึงใจไว้แต่ถ้าเวลาใดที่เผลอขึ้นมาเวลานั้นก็จะถูกอำนาจของความอยากของความหลงนี้ดึงออกไปนี่คือการเข้าสู่จุดที่มั่นคงปลอดภัยในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาจารย์อยู่สองรูปท่านก็สอนได้ เพียงระดับนี้คือให้เข้าไปสู่จุดของความสงบของความเป็นอุเบกขาได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็ไม่สามารถอยู่ในจุดนั้นได้อย่างถาวรจะต้องออกมาพอออกมาก็จะต้องต่อสู้กับกำลังของความหลงของความอยากที่จะหลอกลอ่อที่จะดึงให้ใจกลับออกไปหา ลาบยศสรรเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสพทธภพกลับไปยืนอยู่บนจุดที่ไม่มั่นคงพระองค์เลยต้องศึกษาต่อไปเองด้วยด้วยการพิจารณาเจริญปัญญาตามลำพังจนในที่สุดก็ทรงได้ ค้นพบความจริงว่า <c oughs> วิธีที่จะต่อสู้กับความอยากก็คือต้องสอนใจไม่ให้หลงคิดว่าสิ่งที่ตนอยากได้นั้นจะให้ความมั่นคงแก่จิตใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจ อยากได้นั้นเช่นลาบยศสารเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนั้นร้นเป็นของไม่เที่ยงมีมาแล้วก็มีไปได้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเวลาได้มาก็ได้ความสุขมาแต่เวลาที่เขาเสื่อมไปจากเราไปเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ความสุขก็ต้องหมดไป ความทุกข์ก็จะกลับมาใหม่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานี้ให้กับให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรเขามีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไปห้ามความเสื่อมไม่ได้ห้ามการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปไม่ได้ ถ้าสอนใจอย่างนี้ใจก็จะได้ยุติความอยากได้เพราะว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาก็กลับมาเจอ ย, ยืนอยู่ที่จุดเดิมจุดที่ปราศจากความสุขเวลาสิ่งที่ได้มาต้องจากเราไปถ้าเราเห็นความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆที่ใจ อยากได้อยากมีอยากเป็นใจก็จะได้หยุดการอยากเหล่านี้ได้นี่คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเพื่อที่จะรักษาใจให้ตั้งอยู่บนจุดที่มั่นคงถาวรไปได้ตลอดก็คืออุเบกขาความรู้สึกเฉยเฉย ความอิ่มความพอไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งที่จะได้มานั้นมันมีทั้งสองด้านมีทั้งสุขและมีทั้งทุกเวลาเจริญก็เป็นสุขเวลาเสื่อมก็เป็นทุกข์แล้วก็ห้ามเขาไม่ให้เสื่อมไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสื่อมไปไม่ช้าก็เร็ว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นวัตถุ่าเป็นเช่นเดียวกันได้สามีได้ภรรยาได้บุตรได้ทิดาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมจากกันไปเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้ตำแหน่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้การยกย่องสรรเสริญเยนยอ มันก็มีวันที่จะเสื่อมหมดไปเวลาได้ก็ดีออกดีใจกั น, วนเวลาเสียก็เสียออกเสียใจยกันเพราะว่าเราไปยืนอยู่บนจุดที่มันไม่มั่นคงนั่นเองแต่ถ้าเราไปยืนอยู่บนจุดที่มั่นคงคืออุเบกขาอุเบกขานี่เราถ้าเรารู้จักวิธีเข้าไปถึงได้แล้วเราก็จะสามารถ เข้าไปได้ตลอดเวลารักษามันได้ตลอดเวลาด้วยการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี่แหละก็คือด้วยการเจริญสติพอจิตเป็นสมาได้สติแล้วก็ทําให้จิตเป็นสมาธิได้จิตเข้าเข้าถึงจุดอุเบขาได้พอจิตออกจากจุดโอเบขานั้นก็ให้ใช้ปัญญาดึงกลับเข้าไป พอจิตอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สอนจิตว่าอย่าไปไปแล้วจะไปทุกข์ไม่ใช่ไปสุขสุขก็สุขตอนต้นแล้วก็ต้องมาทุกข์ตอนปพอจิตรู้ทันก็จะไม่หลงทําตามความอยากจิตกระจาตั้งอยู่ในจุดอุเบกขาไปตลอด อันนี้ต้องมีปัญญาซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่รู้ความจริงอันนี้ที่สามารถรักษาจิตให้อยู่ในจุดอุเบกขาได้ไปตลอดไม่มีวันที่จะหลุดออกมาเลยถ้ามีปัญญาคอยสอนใจจนใจสามารถกำจัดความหลงต่างๆ ที่หลอกให้ใจออกมาจากจุดอุเบกขานี่ได้พอไม่มีความหลงก็จะไม่มีผู้ที่จะมาหลอกให้ออกไปจากจุดที่ดีที่สุดของใจจุดที่ปลอดภัยที่สุดจุดที่ให้ความสุขให้ความอิ่มความพอแก่ใจมีจุดเดียวเท่านั้นก็คือจุดของอุเบกขาจุดของความสงบของใจนี่เอง อันนี้แหละเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะสถานภาพเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวสำคัญเพราะว่าทุกสถานภาพก็มีใจเหมือนกันหมดมีใจที่ยังไม่ได้เข้าถึงจุด ที่เป็นอุเบกขายังไม่ได้เข้าถึงจุดที่ปลอดภัยมั่นคงและสถานภาพของใจทุกชนิดนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัตินำใจดึงใจให้เข้าสู่จุดอุเบกขาจุดของความสงบมั่นคงนี้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีความยากง่ายต่างกันเท่านั้นเอง เพราะว่าในแต่ละสถานภาพก็มีข้อจำกัดมีเขตมีขอบเขตของความสามารถที่จะทำให้การดึงใจให้เข้าสู่จุดของความสงบนี้ยากง่ายต่างกันไปผู้ที่จะเข้าถึงจุดนี้ได้ง่ายที่สุดก็คือพวกที่เป็นนักบวชเพราะพวกที่เป็นนักบวช น, นี้เขา ได้หลุดออกจากที่ถ้ำของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัพ์แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้หลุดอย่างถาวรก็ยังมีโอกาสที่จะหลุดกลับเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้อยู่ถ้าไม่ระมัดระวังถ้าไม่ใช้สติคอยดึงใจเอาไว้ ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปติดอยู่ในวงจรของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกินรดโผฏฐพะได้อยู่และพวกนักบวช น, นี้จะมีเวลาว่างที่จะดึงใจให้ออกดึงใจให้เข้าสู่จุดอเบคาได้มากที่สุดสำหรับคาวาสบางท่านก็อาจจะ มีสถานภาพคล้ายนักบวชก็คือไม่มีภารกิจการงานต่างๆที่จะมาดึงเวลาของการปฏิบัติไปเช่นผู้ที่มีพอมีพอกินและไม่ได้มีความอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้เขาก็ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักบวชเขาก็มีสถานภาพคล้ายกับนักบวชเพราะเขามีเวลาที่จะปริกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อดึงใจให้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่อุบเบกขาแล้วพอใจเข้าอยู่ในอุบเบกขาแล้วก็คอยรักษาไม่ให้ออกจากจุดนั้นไปด้วยการพิจารณาตายลักอยู่เรื่อย เพราะสิ่งที่ใจอยากจะออกไปหาก็คือหาสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์แต่มองไม่เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่คิดว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่คิดว่าเป็นทุกข์คิดว่าเป็นสุขเช่นคนที่เสพยาเสพติดนี่เขาก็ไม่คิดว่าเป็นทุกข์กันแต่คนที่ไม่เสพคนที่มีสติปัญญาดูก็รู้ว่ายาเสพติดนี่มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุข เสพไปแล้วเป็นอย่างไรก็ต้องติดต้องทุกเวลาที่ไม่ได้เสพและเสพมากเกินไปก็ถึงแก่เสียชีวิตได้เพราะว่าไม่มีปัญญาสอนใจว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนันเองฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเหมือนอยาเสพติด เพียงแต่ว่ามีความรุนแรงไม่เท่ากันยาเสพติดนี้มันรุนแรงที่สุดส่วนอย่างอื่นนี้มันก็ไม่รุนแรงเท่าไม่ถึงกับทำให้ตายแต่บางครั้งก็ทำให้ตายได้เช่นพวกที่ติดอะไรแล้วต้องมีอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่มีก็ต้องดิ้นรนต่อสู้สวสางหา บางทีก็ถึงกับต้องไปทําผิดกฎหมายทําบาปทํากรรมก็อาจจะไปฆ่าผู้อื่นก็ได้เพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้มาเมื่อไปฆ่าผู้อื่นก็อาจจะถูกผู้อื่นเขากลับมาฆ่าเราต่อได้นี่ก็เป็นเรื่องของความอยากตรงนั้นเป็นผลที่เกิดจากทําตามความอยากความอยากนี้มันไม่มีขอบมีเขตมันจะ เอาอย่างเดียวเอาให้ได้อย่างเดียวเพราะเวลาอยากแล้วไม่ได้นี่มันทรมานใจมากจึงต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจเมื่อได้เข้าไปถึงจุดอุเบกขาแล้วเวลาใจจะออกจากจุดอุเบกขานั่นมาต้องใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกาย เพราะเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์เดินเข้าหาความไม่แน่นอนเดินเข้าหาความวุ่นวายถ้าอยากจะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายก็ต้องดึงใจไว้ให้อยู่ในจุดอุเบกขานี้ไปเรื่อยๆจนกว่าใจไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอไม่หลงแล้วไม่มีอะไรที่จะหลอกใจให้ออกจากจุดที่เป็นอุเบกขานี้ได้แล้วภารกิจทางใจก็จะหมดไปการปฏิบัติเพื่อให้ใจตั้งอยู่บนจุดของความสงบของใจตั้งอยู่บนอุเบกขานี้ก็ถือว่าสําเร็จไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเพราะใจจะไม่มีวันเคลื่อนออกจากจุดนี้อีกต่อไป ชั่วดินชั่วฟ้าดินสลายตามใดที่มีใจอยู่ตามนั้นใจก็จะตั้งอยู่บนจุดนี้ไปและใจนี้เป็นหนึ่งในหกสิ่งในสากลละโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่ถาวรคือธาตุทั้งหกธาตุทั้งหกนี้มีอยู่มาตลอดและจะมีต่อไปธาตุทั้งหกก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟ ธาตุอากาศแล้วก็ธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือใจของพวกเรานี่เงแต่ว่าธาตุรู้ของพวกเรามันมีปัญหามันไม่ตั้งอยู่บนจุดของอุเบกขามันถูกความหลงหลอกให้ออกไปตั้งอยู่บนจุดของดินน้ำลมไฟที่รวมตัวกันแล้วก็แยกกันออกไปพอเวลาเขารวมตัวกันก็ดีอกดีใจ เวลาเขาแยกทางกันก็เสียออกเสียใจแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้จักวิธีที่จะดึงใจของเราให้ออกจากธาตุทั้งสี่ออกจากธาตุทั้งห้าออกทั้งอากาศสาธาบด้วยแล้วก็เข้าไปอยู่ในจุดอุเบกขาของธาตรู้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ชาญฉลาดที่สามารถเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ไม่มีมนุษย์ใดในโลกนี้ถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมีผู้ที่รับรางวัลดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรก็ตามพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่รู้ความจริงอันนี้กันต่อให้เขาได้รังวีรางวัล ได้เงินได้ทองมามากน้อยเพียงไรเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้ใจเขาหลุดท้นจากความวุ่นวายใจหลุดท้นจากความไม่มั่นใจได้เพราะเขาไม่ได้มีปัญญาที่จะสามารถศึกษาถึงธรรมชาติของเขาเองว่าทําไมเขาถึงไม่มีความมั่นคงทําไมเขาจึง ต้องวุ่นวายกับสิ่งต่างๆอันนี้แหละถ้าเราเปรียบเทียบเราเราถึงจะเห็นความวิเศษของพระพุทธเจ้าว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองในความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของเราความรู้ที่จะปลดจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ความรู้ที่จะนำให้จิตใจของเราได้เข้าสู่ความสุขที่ถาวรที่มั่นคงไปตลอดมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลเพราะว่านานๆสักครั้งหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งเป็นศาสดา ของพวกเราได้สักครั้งหนึ่งและโอกาสที่เราจะได้มาเกิดในจังหวะที่มีพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็เป็นของยากกว่าตายไปจากภพนี้แล้วกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไม่รู้เอ็กกีบกีป่ปีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกันทำบาปก็ต้องไปใช้บาปในอบาย ถ้าทำบุญก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์พอกลับมาก็ไม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาบอกทางมาสอนความจริงเกี่ยวกับใจของเราเกี่ยวกับที่ตั้งของใจของเราเราจะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองเลยนอกจากเราเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ มีความสนใจศึกษาความจริงในตัวของเราเองค้นหาความจริงว่าอะไรทำให้เราสุขอะไรทำให้เราทุกข์เท่านั้นแหละจึงจะทำให้เราสามารถพบกับความจริงอันนี้ได้ซึ่งจะมีคนน้อยมากที่จะสนใจกับการค้นหาความจริงเหล่านี้เพราะจิตใจจะตกอยู่ภายใต้อานาจของความหลงครอบงำอยู่ตลอดเวลา ความหลงก็จะหลอกให้ออกไปหาความจริงภายนอกกันเพราะคิดว่าสิ่งต่างๆภายนอกใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจก็เลยไปติดกับอยู่กับของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปติดอยู่กับสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตา ก็เลยต้องทุกข์ทรมานใจไปกับสิ่งต่างๆที่ตนเองหลงคิดว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่จะอยู่กับตนไปตลอดเป็นสิ่งที่ตนสามารถควบคุมบังคับได้นี่แหละคือใจของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเรานี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาโมหะ ความหลงความไม่รู้ความจริงของที่ตั้งของใจที่มั่นคงที่ปลอดภัยว่าอยู่ในใจนี้เองอยู่ในจุดที่เรียกว่าอุเบกขาต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องรอให้เรามีความสนใจถ้าเราไม่มีความสนใจถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา อย่างคนที่ที่อยู่ในประเทศไทยนี้มีมากมายกลาดกองที่ไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นชาวพุทธก็เป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านคือพุทธตามกันมาอตาไม่ได้พุทแบบผู้รู้พุทธโท ค, คือผู้รู้แต่เป็นผู้รู้ได้ก็ต้องศึกษาต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเมื่อรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่รู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังถึงจะได้รับประโยชน์ของชาวพุทธได้อย่างแท้จริงตอนนี้พวกเราเป็นพุทธแบบไหนถ้าเรายังเป็นพุทธแบบพุทธตามบ้านพุทธตามทะเบียนบ้านอยู่ก็ขอให้เรามา ม า, มาปรับสถานภาพกันเปลี่ยนจากพุทธที่เป็นในทะเบียนบ้านมาเป็นพุทธที่ในการปฏิบัติปฏิบัติกายวาจาใจของเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็คือไม่ทำบาปทำแต่บุญทำแต่กุศลแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธ ด้วยการกาจัดความโลภความอยากต่างๆความหลงต่างๆที่จะหลอกล่อให้ใจนั้นออกไปจากจุดที่เป็นอุเบกขาการทำความดีการไม่ทำบาปการภาวนาการเจริญสติดึงใจให้เข้าสู่จุดอุเบกขานี้เป็นการกระทำที่จะทำให้ใจเราได้พบกับความสุข ที่ถาวนวณความมั่นคงความปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายพอเราได้เข้าถึงจุดนั้นแล้วเราก็ต้องรักษาใจให้อยู่ในจุดนั้นด้วยการเจริญปัญญาทุกครั้งที่ใจถูกความหลงหลอกให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พิจารณาทันทีว่าสอนใจให้รู้ทันทีว่ามันเป็นตายละเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาแล้วใจจะได้ หดเข้ามากลับมาอยู่ที่จุดอุเบกขาเช่นเวลาใจจะออกไปหนีความแก่หนีความเจ็บหนีความตายก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปหนีหนีแล้วมันจะทุกข์มันไม่สุขปล่อยวางร่างกายอย่าไปยึดไปติดมันอย่าอย่าออกจากจุดอุเบกขาจุดที่รู้เฉยเฉยอย่าออกไปวุ่นวายกับ เรื่องของร่างกายร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปรักษาได้ก็รักษาไปร่างกายจะตายถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปคัดค้านอย่าไปต่อสู้อย่าไปวุ่นวายกับมันให้กลับมายืนอยู่ที่จุดอุเบกขานี่เท่านั้นสักแต่ว่ารู้ หรือว่าร่างกายนี้กำลังแก่กำลังเจ็บกำลังจะตายทำอะไรไม่ได้แล้วก็อยู่เฉยๆอยู่ในจุดอเบขาแล้วจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนอันนี้แหละคือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายนี้เราต้องสอนอยู่เรื่อยๆว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เราต้องยืนอยู่จุดเดียวเท่านั้นจุดที่ปลอดภัยสําหรับเราก็คือจุดอุเบกขาจุดของความสงบของใจอย่าไปวุ่นวายดิ้นรนต่อสู้กับการคุ้มครองรักษาร่างกายที่ไม่มีวันที่จะคุ้มครองมันได้ คุ้มครองมันได้ในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะต้องคุ้มครองอีกแล้วมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะไม่มีความสามารถที่จะคุ้มครองมันได้ยั้นอย่าไปเหนื่อยกับการคอยคุ้มครองรักษาร่างกายแบบเกินเหตุเกินผลคุ้มครองได้ในระดับความสามารถของเราก็คุ้มครองไปกินได้ก็กินไปดื่มได้ก็ดื่มไปหายใจได้ก็หายไปกินยาได้ก็กิกนไป ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันรักษาใจอย่างเดียวเพราะใจเป็นของเราเป็นของถาวรแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของชั่วคราวอย่าไปยุ่งกับมันต้องคอยเตรียมตัวเตรียมใจคอยสอนใจคอยฝึกซ้อมทำการบ้านอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเวลาเข้าห้องสอบเราจะได้ทำข้อสอบได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำการบ้านไว เวลาถึงเวลาเข้าห้องสอบจะสอบตกจะทุกทรมานใจนี่คืองานของพวกเราเจวาพุธการที่เรามาวัดกันก็เพื่อมาทำงานอันนี้กันมาศึกษาวิธีที่จะดึงใจของเราให้ออกจากจุดที่ไม่มั่นคงให้ไปยืนอยู่บนจุดที่มั่นคงแล้วก็รักษาให้มันอยู่ในจุดนั้นไปตลอด ถ้าเราทำได้เราก็จะปลอดภัยจากภัยอันตรายปลอดภัยจากทุกทุกลูปแบบเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องคำสอนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับความสุขของเราเป็นอย่างมากถ้าเราเชื่อแล้วเราทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จของเราให้กับการปฏิบัติตามคำสอนเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าและพูภาษาวกทั้งหลายได้รับกัน เพราะท่านก็ต้องศึกษาท่านก็ต้องปฏิบัติท่านก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการรักษาใจดวงนี้เหมือนกันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ความเชื่อมัน่นอยู่ที่การตัดทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปจากใจอย่าให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคความขั้นการดําเนินการปฏิบัติของใจเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยเรา มันมีแต่จะถ่วงเราและจะทำให้เราไม่สามารถทำงานที่เราควรจะทาให้สำเร็จได้เพราะความโลเลเพราะความเสียดายเพราะความรักความหวงความห่วงในสิ่งที่จะต้องสูญไปต้องดับไปอยู่ดีอย่าไปเสียดายอย่าไปหวงอย่าไปห่วงขอให้ห่วงใจเราเพียงดวงเดียวเพราะใจนี้แหละเป็นตัวที่ให้ความสุขกับความทุกข์กับ กับเราคนอื่นเขาไม่ได้ให้ความสุขความทุกข์กับเราสิ่งอื่นไม่ได้ให้ความสุขความทุกข์กับเราใจเราเท่า น, นั้นเป็นผู้ให้ความสุขความทุกข์กับเราถ้าไม่หลงก็จะให้ความสุขถ้าหลงก็จะให้ความทุกข์ดันั้นเราต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้หลงเพื่อจะได้มีแต่ความสุขไปตลอดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้มีกัน การแสดงก็เคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาใยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทนอินและและต่อไปนี<อ>้จะอนุโมทนาให้พร<อ> ยะถาวาริวาหาปุราปุริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทิน oh ังเปตานังอุปการปฏิอ e ิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ กโสยทาสพิติโยวิวัจจันโตสัพรโรโควินสัสตุมาเตภาวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภาวะอะพิวาธนศีลิะนิจามุธาปจายโนยตารโอธมาวาทาติอายุวโนสุขังภาลัง ท่านที่ยังไม่ได้หนังสือซีดีถ้าต้องการก็เชิญเข้ามาหยิบได้หรือท่านใดที่ต้องการถามปัญหาก็เชิญเข้ามาถามได้หรือมีของที่ยังไม่ได้ถวายอยากจะนาเข้ามาถวายก็นําเข้ามาได้ถ้ามีคาถามอยากจะถามไหมวันนี้ไม่มีไม่ ม, ม, มีเดี๋ยวก็นั่งพักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปว่ากันใจไม่ได้ป่วยแต่ร่างกายมันป่วย ร่างกายมันบอกเป็นหวัดใจก็ใช้ร่างกายไปตามสภาพของมันเสียงก็เปลี่ยนไปน้ำมูกอะไรมันก็คอยจะไหลอยู่เรื่อยๆก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็เหมือนรถยนต์มันเสียก็ซ่อมมันไปคนขับไม่ได้เป็นอะไร พองได้แต่ว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเมื่อยากระโดดลอยเมืม่อยอะไรคือมันจะหนียเหนยวมันจะเอาไปน้องให้ถ้ามีโอกาสที่จะทําได้ตัวเองก็อยากจะทําแต่ก็ยังมีสติว่าเออทำไม่ได้เออทําแล้วมันก็บาปเดี๋ยวก็ต้องไปทำรับทัดได้ใช้กันอีกชาติกพชาติหน้าแล้วลูกก็ยังมีอีกก็ไม่ได้ทําตัว เ, เองก็ทลมาน ต้องพยายามฝึกสติให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลาที่เรามีความไม่สบายใจเวลาที่เราสบายใจก็ทำไปทำให้มันติดเป็นนิ ส, สัยไปพอมันเป็นนิ ส, สัยแล้วมันเราจะเหมือนมียาไว้คอยรักษาใจเราเวลาที่มันไม่สบายเวลาไม่สบายใจปั๊บเราก็ท่องพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปภายในใจ ไม่นานเดี๋ยวเดียวห้านาทีสิบนาทีความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปอย่าถ้าเราทําเฉพาะเวลาที่เราไม่สบายใจเวลานั้นมันก็บางทีทํายากเพราะหนึ่งใจมันไม่อยากจะทําแล้วนั้นขอให้เราพยายามทําเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมใจควบคุมความคิดเราด้วยพุทธโธด้วยด้วยการบริกรรมพุทธโธหรือด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการเฝ้าดูดการเคลื่อนไหว ของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจคิดเลืเล่อยเปื่อยฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติดเป็นนิสัยใ น, ในระยะหลังนี้มันสุขเข้าสาวแทรกก็ไม่ได้นั่นแหละเพราะสติเราไม่มีไงที่สุสขเข้าสาวแทร ก, กเพราะเวลาที่มันเผลอสติคือหมอก็าตรวจนี่เออว่าเป็นโรคอะไรมันโรคจิตมันหมอมันเขาตรวจร่างกายมันไม่เจอหรอกมันเป็นโรคจิตโรคไม่มีสติไง ที่เป็นบ้าเขาเรียกคนไม่มีสติคนเป็นบ้าเขาเรียกคนเสียสติเพราะเราไม่รักษาสติเราไม่สร้างสติเอาไว้เนี่คือคุาหอบอกว่าไม่ให้นั่งพับเพียบแต่ว่าไม่ไมให้นั่งขัดมาแต่นั่งสมาธินั่งบทุกข์้ืไ ม, ไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ทําได้ในสี่ริยาบทยกเว้นท่านอนเพราะว่ามันจะหลับ เ อ, อ่ยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้ถ้ายัางถ้าถ้านั่งไม่ได้ก็ยืนก็เดินไปก่อนก็แช่เ ม, มื่อไหร่ถ้าปวดก็ปวดเถอะใมันไอ้นั่นเพราว่าถ้าอยู่บนเก้าอี้เรานั่งยังไงเราก็ไม่สงบมันสบาเยเกินไปถึยังไงก็เลือกแชอก็ดีถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีแต่เราก็ต้องเปลี่ยนนิริยาบทเราจะนั่งอย่างเดียวไปทั้งวันไม่ได้เพราเวลานั่งไปนานๆแล้วร่างกายมันมันปวดมันเมื่อยมันจะพิกลพิการเราก็ต้องเปลี่ยนนิริยาบท พอเราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไงไม่ใช่เฉพาะเวลาในอยู่ในท่านั่งถึงจะปฏิบัติเท่นั้นเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอลืมตาขึ้นมาปั๊บก็พอรู้สึกตัวก็พุทโทเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้พุทโทไปกับงานที่เราทำเน่ไปแปรงฟันก็พุทโทไปอาบน้ำก็พุทโทแต่งเนื้อแต่งตัวกบพุโทโธ เอนั่นแหละพูดโธไปทั้งวันรอบๆลองได้ว่าเสาไม่เข้าสุกไม่แทรกเนี่นนยนอนที่มันเข้ามาแทรกว่าเราเปิดช่องว่างพอเราไม่ควบคุมใจความคิดมันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาสู่ใจของเรา ท, ทันทีนั้นเราอย่าเปิดช่องว่างให้มันเข้ามาเวลาเราเพ้อสตินั่นน่ะเป็นเวลาที่สุกเข้าเสาแทรกกันแล้วเวลานั้นเราก็จะไม่มีกําลังใจที่อยากจะทําอะไรนละ มันมันหมดแรงแนละ้วโดนเหมื อ, อนนะ<ด>อนักมวยโดนเขา้าโดนเข้าต่อยเอโดนเข้าต่อยนับแปดแล้วก็ไม่อยากจะสู้เขาแ ล, ล้วล่ะยันเราอย่าปล่อยให้เขาต่อยเรานับแปดได้เราต้องคอยควบคุมใจเราไว้ตลอดเวลาฝึกไปเรื่อยๆนั่งไปเนี่บนยบางทีมันมีเรื่องขึ้นมาปักบอยู่เหมือนกับเราอยากจะพิจารณาเรื่องนั้นนะครับอยากริ่ ได้ทั้งนั้นถ้าอยากจะพิจารณาก็พิจารณาเป็นตายรักได้อยากไปพิจารณาเรื่องอื่นต้องมองว่ามันเป็นตายรักเพียงอย่างเดียวได้อยู่แต่ถ้าไปมองว่าเป็นของเราเป็นตัวเราจะให้ความสุขกับเรานี่ไม่ได้แล้วคือเหมือนอยากจะแก้ปัญหาณจุดนั้ไม่ต้องไปแก้มันปล่อยวางอย่างเดียวปัญหาอยู่ที่เราไม่ยอมปล่อยมัน <laughs> ถ้าเราปล่อยแล้วไม่เห็นมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเราแต <laughs> ่ใน เ, เรื่องของชาวบ้านเราทำไมไม่ต้องไปแก้เพ ร, เราะเราปล่อยเราไม่ไปยุ่งกับเขา แต่พอเป็นเรื่องของเราเราไม่ยอมปล่อยเราต้องพิจารณาว่าไม่ใช่เรื่องของเราทั้งนั้นแม้แต่ลูกเราก็ไม่ต้องไปแก้มันถ้ามันจะดื้อก็ปล่อยมันดื้อไปถ้าสอนมันแล้วมันไม่ฟังก็ทําอะไรไม่ได้แนละ้วไม่ต้องไปทุกข์กับมันเดี๋ยวลูกเราเนี่ยจะทําให้เราเป็นบ้าได้ถ้าถ้าเราจะพยายามไปแก้มันเข้าใจไหมเราต้องพิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุก ข, งขงังและตาเหมือ แล้วเราจะปล่อยแล้วเราก็จะสงบแต่เราไม่พิจารณาเป็น้นิจจังทุกขังอน้จตาแล้วมันก็จะพยายามแก้ให้ได้ทางใจเราพอได้แล้วก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปนานๆเดี๋ยวมไม่เป็นก็ต้องมาแก้อีกแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีวันจบต น, นี้คืเสื่อมาก <c oughs> ที่ต้องวิ่งหาหมออตยไม่ต้องไปหามันหรอก <c oughs> ถ้าร่างกายไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปหาหรอกหาพุโทโธ ธรรมโอสดเนี่ยพุทโธนี่แหละเป็นธรรมโอสถอย่ารักษาใจสตินี่แหละเป็นธรรมที่วิเศษที่สุดรักษาใจได้ถ้ามีสติแล้วใจจะสงบใจจะเป็นอุเบกขาใจจะไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆถึงแม้ร่างกายมันจะเปียจะเจ็บจะปวดจะตายมันก็จะไม่เดือดร้อนเนีะ yeah. เอาสติตัวเดียวนี่แหละพยายามฝึกพุโทโธนะ ถ้าเบ่อพุทโธก็สวดมนต์สลับไปบ้างก็ได้พุทธังสารนังกระฉามิบ้างก็ได้อิติปิโสบ้างก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแตว่ายังไงจะเรียนทําเรื่องเวลาดั่งสมาธินยครับบางทีมันก็สงบบางทีมันกไม่สงบบางทีผมก็ก็เลยคิดว่าไม่ดูทีวีไม่อะไรเลยทําพอทางานเสร็จก็ได้เลย ใจก็ไปคิดถึงเรื่องที่โรงเรียนบ้างคิดถึงเร่องนั้นเรื่องก็แสดงว่าเราไม่มีสติแล้วไงต้องมีแต่พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ตาคิดแล้วนั่งไปจนวันตายก็ไม่สงบแต่ถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรือถ้าเราดูลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่างเงี้มันจะสงบเวลานั่งสมาธินี้จะต้องใจจะต้องอยู่เรื่องเดียว เลือกเอาเรื่องไหนก็ได้พุโทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้ <c oughs> แล้วเวลามีอะไรมามาให้รับกกรูก้ก็อย่าไปสนใจนั่งแล้วมีเสียงมีรูปมีภาพอะไรปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับธรรมะที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจจนกว่าใจมันจะวิบวุบเข้าไปแล้วนิ่งสงบ เข้าสูจุดโอเบคขาว่างปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่ตัวรู้สักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียวตอนนั้นน่ะใจก็หยุดทํางานได้ใจเข้าสู่ความสงบนะ <c oughs> สตินี้สําคัญมากถ้าเผลอปั๊บมันจะไม่สงบนะพอเผลอปั๊บเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเข้ามาแทนที่แล้ะ <c oughs> พุโทโธได้ไปสักสองสามคำก็เดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาคนนี้ก็เข้ามาแสดงว่าเราไม่พุโทโธละ เราหยุดพุทธโธแล้วเราก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละเราเขี้เกียจพูดง่ายๆเราไม่ขยันพุทธโธกันก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องพุทธโธตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ได้ก่อนตื่นขึ้นมาก็พุทธโธเลยพุทธโธแล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัว ก, กินข้าวกินข้าวไปโรงเรียนไปทําอะไรก็พุทธโธไปไทั้งวันแล้วเวลานั่งสมาทิสมันจะสงบได้ง่าย มันจะไม่ไปที่อื่นมันจะอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวยต้องฝึกให้ได้อย่าขี้เกียจสิ่งที่พวกเราขาดกันมากที่สุดก็คือความขยันวิริยะไม่มีเนี่ยสอนมาทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนก็บอกให้เจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ยังไม่มีใครมารายงานว่าทําได้ไม่มีใครมาเอาการบ้านมาส่งได้เลย อาจจะเรียกว่าปิติก็ได้อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดเวลาจิตเข้าสู่ความสงบแต่ก็อย่าอย่าเวอรจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนดูดูลิเกไปคือบางทีพอมันปิติขึ้นมามันร้องไห้มันก็เลยเวอรตามไปด้วยอย่างนี้อย่าเวอรมันจะมันจะหลังก็อย่าอย่าไปอย่าไปตามมันปล่อยมันหลังเราก็กลับมาพุโทโธพุโทโธเราต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไป บางคนคิดว่าปิตินี่เป็นผลก็เลยพอถึงปิติแล้วก็เลยลุยเลยปิติตามมันเลยอย่างยังยังไม่เข้าสู่ความสงบทีท่ยังไม่ถึงอุเบกขา เ, เวลานั่งสมาธิจิตเริ่มสงบมันก็จะมีปิติมีความสุขขึ้นมาชั่วคราวถ้าเราทำต่อไปมันก็จะหายไปไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนและบางคนก็อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะผ่านไปเลย เข้าไปสู่ อ, อุเบกขาเลยก็ได้แต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันบางคนเข้าทีละนิดทีละหน่อยบางคนเข้าแบบพูดพลาดเข้าไปเลยเหมือนตกหลุมตกบอ่อวุบลงไปเลยบางคนก็ลงไปทีละขั้นทีละขั้นแต่จะเป็นอย่างไรก็ขอให้เกาะติดอยู่กับการภาวนาอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับผลที่กําลังเกิดขึ้น จนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางของการภาวนาก็คือ อ, อุเบกขาเคครั้ั้งคือคื อ, ค อ, คอมันมันทุกข์ น, นะคะแล้วก็บริกรรมของเออแม่ขวดนออเดิ น, ดนจนรู้ว่าสมองมันคิดอะไออกเออก็หยุดบริกรรมก็ได้ดูดูเท้าแทน เดินดูเฝ้าร่างกายแทนบางทีคิดมากเกินไปบรกรครมมากเกินไปอาจจะเครียดได้มันหมายถึงมัจฉาก็หยุดหยุดแล้วก็ดูดูลมแล้วถ้านั่งเฉยเฉก็นั่งดูลมก็ได้ถ้าเดินก็ดูเท้าก็ได้อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่เป้าหมายก็ยังอันเดิมอยู่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรื่องเราจะเปลี่ยนคําบริกรรมเอาคําบริกรรมง่ายๆก็ได้ถ้าเราชอบบทสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปก็ได้แผเมตสบบทสวดแผเมตตาก็ได้สัพเพสัตตาเวลาหหนตุนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้น่ะเพื่อให้ใจเราไม่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเอง <c oughs> หรือพิจารณาอันนี้จังทุกคังหน้ตาก็ได้ว่า อาการที่เรามีอยู่นี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันมันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปเดี๋ยวมันก็หายเองยิ่งอยากไปหายมันยิ่งเครียดใหญ่เข้าใจไหมอยู่กับมันไปถ้ามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถึงเวลามันก็ไปเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวมันก็ไปไปง่ายกว่าถ้าเราไปยุ่งกับมันมันก็จะไปยากเพราะเราดึงมันไว ยิ่งอยากให้มันไปมันยิ่งอยู่ความอยากนี่มันทำให้เราไม่สบายใจเราไม่รู้หรอกว่าความไม่สบายใจของเรานี่เกิดจากความอยากเรากลับไปคิดว่าเกิดจากสิ่งที่กำลังปรากฏให้เรารลบาดูความจริงสิ่งต่างเหล่านั้นถึงแม้ว่ามันจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทางร่างกายถ้าใจเราไม่ได้ไปอยากให้มันหายไปใจเราจะไม่ทุกข์เลยใจเราก็จะเฉยๆอยู่กับมันได้ ถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็กลับมาหาสติถ้าใช้ปัญญาได้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็พิจารณาไปแล้วก็ปล่อยวางมันท่านเองพิจารณาเพื่อปล่อยวางนะไม่พิจารณาเพื่อที่จะไปจัดการกับมันเมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะตั้งอยู่ก็ปล่อยมันตั้งไปมันจะไม่ดับก็ปล่อยมันไม่ดับมันจะดับก็ปล่อยมันดับอย่าไปยุ่งกับมัน เราใจจะไม่ทุกข์ก็มันใจไม่ทุกข์แล้วความทุกข์เก้าสิบเปอร์เซ็นจะหายไปเหลือแต่ความทุกข์สิบอร์เ็นที่เกิดขึ้นทางร่างกายเท่านั้นเองตอนที่เราบริการทหาแล้วตอนี่นมันจะคก า, ก า, กา้ยนหะม อ, อรรนทตืนนอนอยับแต่ไม่หลับใช่ไ้มเหมือนหลับแต่ไม่หลับใช่เรื่องหลับ ต้องรู้ต้องมีตัวรู้อยู่ถ้าถ้าสะดุ้งมันแสดงว่าหลับก็หลับในหลับในอถ้าสงบมันต้องรู้ต้องรู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวล า, าว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวเอถ้าไม่รู้อะไรเลยก็แสดงว่าหมดสติหลับไป พอต er ื่นข <laughs resonance> <laughs> <és> ึ pen, like, so 慢慢้นมาก็รู้สึกสดชื่นได้นอนได้หลับสมมติว่าที่นาตั้งจิตอธิษฐานี่เราเรื่อง่ะคะมจะมีข้อดี่ว่ามันเหมือนเราก็จะเห็นตั้งแบชัดเาก็จะมีวารจะแยกความให้ตังแบบน้สำเร็จใหค่อันนึงที่ตามคุณจะมีราีประสเยอะมากแต่ตอนที่เราไม่ตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็จะมีวิธีการเพื่อจัดการ ก็รร อ, อ, นะอย่าไปตั้งมันสิตั้งมันแบบกว้างๆแบบทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น <S 1> <S 1> บางทีเราไปตั้งแล้วมันก็ทาให้เราเครียดกับการไปตั้งมัน <S <S ถ้ามันไม่ถูกจริตกับเราแต่ข้อสำคัญก็คือขอให้เราตั้งอยู่ที่การปฏิบัติก็แล้วกันคือว่าจะปฏิบัติไปจนกว่าจะ ได้ผลช้าหรือเร็วไม่เป็นปัญหาได้วันนี้หรือไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่จะไม่หยุดการปฏิบัติคิดอย่างนี้จะดีกว่าถ้าคิดว่าจะต้องได้ผลในวันนี้เวลานี้มันก็จะเกิดเป็นข้อบีบคั้นใจเราได้เหมือนพระ อ, อ, อ น, นุนเห็นไ้มที่พระเจ้าไปทรงตัดว่า อ, อ น, นุ์เธอไม่ต้องร้องไห้ อนนลทราบว่าพระเจ้าจะนิพพานอนน์ก็เสียใจเราล้องไห้พระพุทธเจ้าบอกอนนลเธอไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวสามเดือนหลังจากเราตายไปเธอก็จะบรรลุเป็นาาารพระอรหันต์พอพระพุทธเจ้าผู้ยินมอนน์ก็มีความดีใจมีกำลังใจก็เลยพอพระเจ้านิพพานแล้วก็ไปปีกไปเวกไปปฏิบัติจนคืนถึงคืนสุดท้ายที่จะครบสามเดือนก็ยังไม่บรรลุสักที อนนั้นก็เลยเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วเอพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดอะไรที่มันไม่จริงเลยแต่ครั้งนี้มันอาจจะเป็นจริงไม่จริงอย่างที่ท่านพูดก็ได้มั้งเราคงมีเวรมีกรรมมีอะไรถึงทําให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุตามที่ท่านสอนได้พยายามปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุสักทีก็เพราะว่าใจของท่านไม่ได้อยู่กับการปฏิบัติใจของท่านอยู่กับ คำพูดของพระพุทธเจ้าภาพคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าว่าจะต้องบรรลุกคืนนี้อย่างแน่นอนพอทำอย่างนี้แทนที่จะภาวนาก็เลยไม่ได้ภาวนาแทนที่จะทำใจให้เป็นอุเบกขาก็ไม่ทำพอใกล้จะสว่างแล้วก็รู้ว่าหมดเขตแล้วเนี่ยเราไม่มีวันเราหมดโอกาสที่จะได้เป็นพาาาระอรหันต์นะก็เลยจะพักตัวลงนอนพอพักตัวลงนอนก็ปล่อยวาง พอใจปล่อยวางเป็นอุเบกขาความอยากที่จะบรรลุมันหายไปใจมันก็บรรลุขึ้นมาทันทีเนี่ยการที่ไปตั้งเป้าไว้แล้วมันอาจจะทําให้เราเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ได้ถึงเป้าอันนั้นให้ได้อันนี้มันผิดละความตั้งใจไม่ได้ให้เราสร้างความอยากให้ได้เป้านั้นความตั้งใจเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่านี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปให้ถึงให้ได้ แต่จะถึงได้เมื่อไหร่นี้ก็ต้องอยู่ที่เหตุคือการปฏิบัติของเราดังนั้นเราควรที่จะมีสติอยู่กับการปฏิบัติของเราหลังจากที่เราได้ตั้งเป้าแล้วถ้าเรารู้ว่าการที่จะได้ไปถึงพระนิพพานนี้เราจะต้องเจริญสติและต้องเจริญสมาธิเราจะต้องเจริญปัญญาเราก็ทําแต่เหตุนี้ไปได้มากได้น้อยก็ทําสะสมมันไปเรื่อยๆ พอมันได้เต็มที่แล้วผลมันก็จะปรากฏขึ้นใหมอ่อย่าไปนั่งจ้องว่าปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ผลสทัทีถ้าคิดอย่างนี้มันเริ่มมันไม่ปฏิบัติแล้วมันเริ่มคิดปรุงแต่งคิดไปในทางกิเลสตัญหาแล้วเนี่ยเราต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นการมีเป้าหมายมันก็จําเป็นสําคัญเราจะได้รู้ว่าทิศทางที่เราจะต้องไปไปทางไหนงานที่เราจะต้องทําเป็นงานแบบไหน ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเราก็อาจจะไม่สนใจที่จะปฏิบัติทานศีลภาวนาก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วว่าเราต้องการที่จะไปทางนี้เราเหตุที่จะทำให้เราไปทางนี้ก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาเราก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการทำทานกับการรักษาศีลกับการภาวนาไปเราจะไม่เคว้ไปทำงานอย่างอื่นถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ถ้ามันจำเป็นต่อการดำรงชีพที่ยังต้องทำอยู่ก็อาจจะต้องเสียเวลาไปกับงานเหล่านั้นบ้างแต่ถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องทำเราก็อยากไปทำมันทำงานนี้อย่างเดียวคือทานศีลภาวนาไปแล้วผลมันก็จะตามมาเอง <c oughs> ดังนั้นสำหรับคนบางคนนี้อาจจะอาจจะไม่เหมาะถ้าไปตั้งจิตอธิษฐาน แต่สำหรับคนบางคนถ้าไม่ตั้งก็จะจะไม่ไม่ทำเพราะฉอนั้นบางคนนี้ต้องตั้งเป้าแล้วจะได้บังคับตัวเองให้ให้ได้เป้านั้นขึ้นมาให้ได้อันนี้ก็ต้องดูนิสัยของเราบางคนพอนั่งสมาธิก็ไปตั้งว่าจะต้องนั่งได้หนึ่งชั่วโมงใจมันก็เลยไปภาะวะน์กับเวลาว่าได้หนึ่งชั่วโมงแล้วยังมันก็เลยไม่ได้ภาวนามันก็เลยไม่สงบ แต่ถ้าเราไม่ไปตั้งเป้าว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะตั้งเป้าอยู่ที่การเจริญสติให้จิตมีสติอยู่กับสติเพียงอย่างเดียวพอจิตสงบแล้วมันนั่งเกินชั่วโมงก็มี่วยที่ไม่ได้ต้องไปตั้งเป้าขอให้ตั้งเป้าที่เหตุคือการปฏิบัติของเราการเจริญสติของเราส่วนผลนี้มันจะเกิดขึ้นมามากน้อยช้าเร็วนี้มันอยู่ที่เหตุของเราถ้าเหตุเรามาก เหตุเราดีมันก็จะได้มากได้เร็วแต่เหตุไม่ดีเหตุน้อยมันก็จะได้ช้าได้ไม่มากเอาเอาที่เหตุเป็นหลักก็แล้วกันผลก็เพียงแต่เป็นจุดหมายปลายทางคร่าวๆให้เรารู้ว่านี่คือเป้าหมายของเราตามใดที่เรายังไม่ได้เป้าหมายนี่เราจะไม่หยุดการบาเพ็ญของเราอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่า ถ้ายังไม่ได้ตัดสัรู้ก็จะไม่ลูกจากที่นั่งอันนี้ไปจ ะ, จะยอมตายพูดง่ายๆจะไม่ยอมไม่ยอมหยุดการบําเพ็ญเพียรอันนี้เราก็ต้องดูว่าใจของเรามีความแนว่วแน่มีความกล้าหาญ ร, ระดับนั้นหรือไม่ถ้ามีมันก็จะทําให้ไม่มีช่องของกิเลสมาทำให้เราเลิกการภาวนาได้ ถ้าเราไม่ตั้งไว้เดี๋ยวกิเลสมันก็จะผ่ อ, อกมาได้ <c oughs> อย่างดงตาเวลาที่ท่านนั่งทั้งคืนท่านก็ตั้งจิตอธิฐานว่าจะไม่ลุกยกเว้นเหตุเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับหมู่เพื่อ น, นมีมีภยัยมีอันตรายอะไรกับใครนี่ท่านถึงจะลุก แต่ถ้าจะปวดท้องฉี่ปวดท้องอะไรจะไม่ลุกจะปล่อยให้มันฉี่ร่าตรงนั้นเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวนั่งไปเดียวเดียวปวดฉี่แล้วอยากจะลุกแล้วอยากจะเข้าห้องน้ำ <c oughs> นี่ที่ท่านตั้งไว้เพื่อกันไอ้กิเลส ท, ที่มันจะมาหลอกให้เรา เ, เสียเสียหลักไม่ภาวนาะ <c oughs> แต่ถ้าตั้งแล้วไปยึดติดกับเป้า แล้วไม่ภาวนามันก็ไม่ได้ผลอีกมานั่งคิดว่าเอ้ยยังผลยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดเสีทีทำไมไม่เกิดถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ภาวนาแล้วไม่ได้อยู่กับพุโทโธแล้ว <c oughs> ฉะนั้นขอให้เราตั้งอยู่กับการปฏิบัติตั้งอธิษฐานว่าชาตินี้จะทําทานจะรักษาศีลจะภาวนาเป็นงานหลักของเรา งานอย่างอื่นอย่าทำเท่าที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นถ้าตัดได้ก็จะตัดไปให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีงานอย่างอื่นมาเอาเวลาไปเลยให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แม้แต่การทําทานเมื่อเมื่อเราเริ่มเข้าสู่การภาวนาเราก็ต้องปล่อยละการทําทานมันก็จะแย่งเวลาของการภาวนาได้ถ้าเราออกไปทําบุญผ้าป่า ไปทําบุญที่นั่นที่นี่เราก็จะไม่ได้ภาวนาการภาวนาเราจะต้องปิกวิเวกอยู่ตามลําพังอยู่ตามที่สงบแต่พอเราอยากจะทําทานอยากจะทําบุญเราก็ต้องออกจากที่วิเวกไปที่วัดนั้นบ้างไปที่นั้นที่นี้บ้างมันก็จะทําให้เราเสียเวลากับการภาวนาของเราไป ดังนั้นถ้าเราเข้าสู่ขั้นภาวนาแล้วเราก็ต้องปล่อยเรื่องของการทำทานไปถือว่าเป็นขั้นบันไดทานนี้เป็นเหมือนขั้นบันไดพาให้เราได้เข้าสู่การภาวนาพอเราได้การภาวนาแล้วเราอย่าไปหววงบันไดอย่าไปกงงังวลกับบันไดเราไม่ลงเราไม่ลงทางนี้อีกแล้วเราไปขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงแล้วไม่ถอยหลังถ้ากลับมาทำทานนี่ก็แสดงว่ามันเดินถอยหลัง หมายถึงถ้าทำทานด้วยความอยากทำแต่ถ้าทำทานแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันต์นี่ไม่ได้เป็นการเดินถอยหลังเลยเป็นการทำไปตาม <c oughs> เ, เหตุการณ์ตามภาวะที่เกิดขึ้นท่านทาไปด้วยความเมตตาทำไปเพราะว่าทำได้แล้วก็ท่านไม่มีงานอะไรอื่นจะต้องทำแล้งานภาวนาของท่านเสร็จสิ้นแล้วท่านถึงมาทางานเหล่านี้ได้ แต่ก่อนที่ท่านจะเสร็จงานนี้ท่านจะไม่ทำเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใครเลยระยะเวลาหกปีที่ทรงปฏิบัติคืออาจจะสอนบ้างเล็กๆน้อยๆกับพระภาพบัรจารวกีที่ติดตามอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำหน้าที่สั่งสอนเหมือนในสมัยที่ได้ตัดสรูแล้วพอตัดสรูแล้วงานของท่านที่จะทำให้กับจิตใจของท่านนี้สำเร็จดูเรื่องไปแล้วงานภาวนา เสร็จแล้ว <c oughs> ไม่มีงานทำแล้วเป็นคนว่างงานแล้วทีนี้ก็เลยมารับงานสงคห์โลกต่อไปสงคฆ์โลกด้วยการสั่งสอนธรรมะตอนบ่ายก็สอนฆราวาส ญ, ญาตโยมตอนค่ำก็สอนภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรตอนเด็กก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนออกจก่อนจะออกบินบาดก็เล็งยามดูว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษ คนที่มีภาวะที่จะต้องรีบสอนเขาอาจจะเป็นอะไรไปก็ได้หรือ ว, ว่าภาวะจิตใจของเขาสุขงอมพร้อมที่จะรับธรรมอันสูงได้ท่านก็จะมุ่งไปสู่คนนั้นในวันนั้นแล้วก็ไปโปรดสัตว์ด้วยการออกบินทบายให้สัตว์โลกได้มีโอกาสได้ทำบุญทำทานกับพระพุทธเจ้านี่คือกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสั้แล้ว แต่ตอนที่ทรงบําเพ็ญนีน้ทรงปฏิบัติแต่ภาวนาอย่างเดียวศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็ทรงรักษาไม่ให้ด่างพร้อยภาวนาก็สติสมาธิปัญญาเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็สามารถทําให้ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อหมดนี้ หน้าที่นี้แล้วก็ทรงทำหน้าที่สงฆ์โลกต่อไปแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจํานวนมากมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์งเดียวนี่แหละที่ทําให้พวกเรานี้มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครที่จะทําได้พ่อแม่ของเราก็ทําไม่ได้ พ่อแม่ของเราก็ให้เราเพียงแต่ให้ร่างกายเราท น, นเองแต่ไม่สามารถให้ธรรมะกับเราได้เพราะพ่อแม่เราก็ยังหลงยังมืดบอดอยู่ดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะว่าเรากำลังทำงานอันไหนแล้งงานอันไหนสำคัญกว่าคกันถ้าตอนเบื้องต้นนี้ การทำทานก็งานสำคัญถ้าเราไม่เคยทำทานเลยการทำทานนี้ก็สำคัญมากพอทำแล้วก็ต้องขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลให้ได้ไม่ใช่เอาแต่ทำทานอย่างเดียวเหมือนการเรียนอยู่อนุบาลแล้วไม่ยอมขึ้นชั้นปฐมสักทีทำอยู่แต่ชั้นอนุบาลเพราะมันสบายมันง่ายมันสุขเรียนอนุบาลมัเรียนมันง่ายกว่าเรียนชั้นปฐม พอขึ้นชั้นปฐมแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องขึ้นสู่ชั้นมัธยมสู่ชั้นอุดมศึกษาขึ้นไปแล้วต้องขยับขึ้นไปตามลําดับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุ ป, ปริญญาเอกได้เป้าหมายของเราก็คือปริญญาเอกก็คืออรหัตผลพระนิพพานแต่เราก็ต้องผ่านเนะี่ย ระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตีโทเอกไปก็ต้องมีการปฏิบัติที่หนักมากขึ้นไปตามลำดับ <c oughs> เพราะข้อสอบจะยากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราทำข้อสอบที่ง่ายก่อนการทำทานนี้ก็เป็นข้อสอบอันหนึง่งการรักษาศีลห้า ก, ก็เป็นข้อสอบอันหนึง่งการรักษาศีลแปดหรือศีลสองรอยี่บเจ็ดก็เป็นเป็นข้อสอบที่ยากขึ้นไป การจเจริญสติมีพุทโธตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ก็เป็นข้อสอบที่ยากขึ้นไปการทำใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาได้นานๆได้วันหนึ่งไม่ทำอะไรมีแต่จะเข้าสมาธิอยู่อันนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปแล้วยิ่งใช้ปัญญาคอยรักษาให้ใจไม่หลุดออกจากจุดที่เป็นอุเบกขาได้อันนี้ก็ยิ่งยากเนี่ยแต่เป็นงานที่จะไม่รู้สึกง่าย ไม่ไม่รู้สึกยากถ้าเราผ่านขั้นต่างๆไปตามขั้นของมันเหมือนกับถ้าเราอยู่ยืนอยู่ขั้นที่หนึ่งบนบนบันไดขึ้นทีน่ขั้นที่หนึ่งเวลาจะก้าวขึ้นขั้นที่สองนี่มันรู้สึกว่าสบายไม่ยากแต่ถ้าเราจะก้าวจากขั้นที่หนึ่งไปขั้นที่สี่ขั้นที่ห้านี่เราสั่นไม่ไหวละมันมันเกินกําลังของเราอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราทำํำทานแล้วเราก็อยากจะไปสู่ขั้นปัญญาเลยนี่มันก็ยังทําไม่ได้ มันก็ต้องขยับไปเรื่อยๆทำทำทานแล้วก็รักษาศินห้าให้ได้รักษาศินห้าได้ก็ให้รักษาสินแปดได้รักษาสินแปดได้ก็ต้องไปปีกวิเวกให้ได้อยู่ตามลาําพังไปเจริญสติให้ได้ทั้งวันแล้วก็ได้สติแล้วก็ให้นั่งสมาธิให้จิตสงบนานๆพอออกจากสมาธิมาก็เจริญปัญญารักษาให้มันอยู่ใน ในในสมาธิในความสงบในจุดที่เป็นอุเบกขาอย่าให้มันออกสิ่งที่จะดึงมันออกก็คือความอยากความหลงนีง่ก็ต้องใช้ความรู้ความจริงมาสอนถ้ารู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์มันก็จะไม่ไม่หลงตอนนี้มันหลงคิดว่าทุกอย่างเป็นสุขมันก็เลยอยากได้พอได้มาแล้วมันก็ทำให้ใจวุ่นวายใจไม่เป็นอุเบกขา ยันขอให้เราพยายามบังคับตัวเราเองถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองนี่มันจะไม่ไปทางนี้มันไม่ชอบเดินเราต้องลากมันไปหรือดันมันไปต้องกำหนดเวลาของการปฏิบัติของเราว่าเราจะทําทานมากน้อยเพียงไรถ้าเราอยู่ในระดับทานถ้าเราอยู่ในระดับศีลก็ต้องรักษาศีลให้ได้มากน้อยเพียงไลต้องกำหนดไว้จะเอาวันละเอาอาทิตย์ละวันหรือเอา เอาทุกวันเนี่ยตอนต้นอาจจะรักษาแค่วันพระไปก่อนแล้วก็เพิ่มเป็นสามวันสามวันแล้วก็เพิ่มเป็นห้าวันแล้วก็เป็นเจ็ดวันไปพอได้สี่ห้าแล้วก็มาเล่นสินแปกันเริ่มจากวันพระไปก่อนแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆการปีกวิเวก็เริ่มจากวันสองวันไปเป็นห้าหกวันเป็นเจ็ดแปดวันเป็นเดือนเป็นสองเดือนว่างไปเพิ่มเป็นไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามาก อาจจะไปทำทีมากๆเลยทีเดียวมันทำไม่ได้เพราะมันไม่ไหวเหมือนแบกของเราไม่มีกำลังเรายังไม่ได้สร้างกาลังขึ้นมาวิธีที่จะแบกของหนักให้ใ ห, ให้ได้นั้นต้องแบกจากน้อยไปหามากก่อนเพิ่มไปทีละกิโลอย่างเงี้ยมันก็พอจะรู้สึกรับได้พอรับได้แล้วต่อไปก็เพิ่มได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องบังคับ อย่ปล่อยให้ทําตามอารมณ์วันไหนอยากทําก็ทําวันไหนไม่อยากทําก็ไม่ทําอย่างนี้ก็จะเจอแต่ความไม่อยากทํามากกว่าอยากทําผลมันก็จะไม่เกิดแล้วมันก็จะเกิดความท้อแท้เกิดความเบื่อหน่ายและในที่สุดก็จะไปโทษว่ามารผลนิพพานไม่มีมีแต่ในสมัยพระพุทธการเท่านั้นไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีพระ น, นิพพานแล้วปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดี ก็ไม่ปฏิบัติดีกว่าเนี่ยนี่เพราะว่าไม่ไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราปฏิบัติได้อย่างก้าวหน้าเราต้องทำให้เป็นมิตรใต้องทำทุกวันทำทานก็ทำทุกวันรักษาสิ่งกพยายามทำให้เป็นทุกวันให้ได้ตอนต้นก็ทำอาทิตย์ละวันก่อนเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปก็จะทำทุกวันได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดตอนตอนต้นก็อาจจะทา ทีละเล็กทีละ น, น้อยไปแต่เป้าหมายก็คือจะทำให้มันติดเป็นนิสัยไปพอมันเป็นนิสัยแล้วมันก็ง่ายไปเลยครับ <c oughs> การที่เราจะปิดตัวออกไปปฏิบัติทมที่วัดเลยนคะครับจำเป็นไหมต้องขออนุญาตคร <c oughs> อ, อบคุณขครอบครัของคุณก็มีกติกาอย่างล่ะ เราต้องขออนุญาตก็ขอสิถ้าไม่ขออนุญาตได้ก็ไม่ต้องขอแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้เราไปเราจะทำยังไงถ้าเราขอเขาก็ก็ขอพ่อแล้วพ่อก็ให้ไปแต่ว่าก็มีบางคนที่ไม่เต็มร้อยที่อยากจะให้ทำเทนี้การที่เขาจะให้เราไปไม่ให้ไปนี่ต้องมีเหตุผลสิถ้าเขาไม่ให้เราไปเพราะเขาไม่อยากให้เราไปนี่เราก็ต้องถือว่าไม่ใช่เหตุผลนะแต่ที่เขาไม่ให้เราไปเพราะว่า ไปแล้วเขาจะตายอย่างนี้เราก็ยังไปไม่ได้เช่นพ่อแม่เป็นพิน่กรพี่การไม่มีใครเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเราไปแล้วไม่มีใครเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อแม่ต้องตายอย่างนี้เราก็ยังไปไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่อยากให้เราไปเพราะเขาอยากจะให้เราอยู่ใกล้เขาทั้งทั้งที่ต่อไปหรือไม่ไปเขาก็ไม่เดือดร้อนอย่างนี้เราก็ไม่ต้องฟังเขา เหมพระพุทธเจ้าเห็นไหมพ่อของพุทธเจ้าอยากให้พระุทธเจ้าออกบวชหรือเปล่า<อ>นะเคยเคยเคยดูพระพุทธเจ้าไหมล่ะพ่อของพุทธเจ้าอยากให้ลูกออกบวชไหมไม่รู้เลยไมไไญญาตาย พ, พ่อพุทธเจ้าก็อยากจะให้เป็นพระจกักรพรรดิเนี่ยเพราะตอนที่เกิดมาเจ็ดวันนี้ก็มีโหรทำนายไว้ว่าจะเป็นได้สองทางเป็นมหาจากักรพรรดิหรือเป็น บรมศาสดาพ่อเป็นจกักรพ่อเป็นกษัตริย์ก็อยากจะให้ลูกเป็นจกพพักรพรรดิเพราะจะได้ขยายขยายอาณาจักรให้กว้างใหญ่ไพศาลขึ้นไปก็พยายามขังลูกไว้อยู่ในวงังไม่ให้ลูกออกไปเห็นเหตุสิ่งที่จะทำให้ลูกอยากออกบวชคือไม่อยากให้ลูกเห็นความแก่ความเจ็บความตายความเสื่อม แต่คนเรามันจะขังได้ยงไงถึงเวลาก็ต้องก็ต้องอยากออกไปดูเองก็เลยวันหนึ่งท่านก็เลยนักลอบออกไปนอกวงังก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็เลยได้สิ่งที่มากระตุ้นใจให้รู้ว่าในที่สุดร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วความสุขที่ได้จากร่างกายนี้มันก็จะต้องหมดไปแล้วก็เห็นว่าวิธีที่จะรักษาความสุขแบบไม่ให้มันหมดก็คือต้องเป็นนักบวชต้องไปหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็คือหาความสุขที่เกิดจากความสงบสุขของใจพอถึงเวลาท่านก็ไม่ไปขออนุญาตใครเพราะท่านรู้ว่าขอเขาก็ไม่ให้ไปแล้วก็ เหตุผลที่ก็ไม่ให้ไปก็ไม่ใช่เหตุผลเป็นความอยากของเขาเพราะว่าท่านไปเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาก็อยู่ได้ท่านถึงไม่ไปขอขอแล้วมันไม่ได้ไปไปขอทาไมก็ต้องไม่ขออย่างนี้เข้าใจไหมอยู่ที่ว่าคุณไม่อยากไปเสีมากกว่า้างแล้วคุณไร่อ้างเหตุว่าจะต้องขอเขาก่อนคนเราถ้าอยากไปเที่ยวมันต้องขอใครเลย เวลาไปเที่ยวนี่ไปได้อย่างไม่ให้ไปยังหนีออกไปได้เลยถ้าของเราอยากจะทำํำนะต่อให้ช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่แต่ของที่เราไม่อยากจริงๆโอ้คิดแล้วคิดอีกคิดอยู่สามตลบสี่ตลบก็ยังหาคาําตอบไม่ได้ดนั้นอย่าให้ข้ออ้างต่างๆมาเป็นอุปสรรคต่อการออกปฏิบัติของเรา ขอให้ดูเหตุดูผลถ้ามันมีเหตุมีผลจริงๆก็ต้องยอมรับก็ถือว่ายังเป็นวิบากของเราอยู่แล้วเรามีลูกยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังช่วยตัวเองไม่ได้อยู่เราก็ยังปฏทิงเขาไม่ได้นอกจากมีชูโชคมาขอไปก็ให้เขาไปได้อรเวสสันดรดีใจมีคนมาขอลูกไปเลี้ยงท่านก็เลยจะได้ภาวนาได้อย่างเต็มที่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาอยู่กระชู้โชคอาจจะสบายกว่านะเอาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งย่งขึ้นไปเธอ